ฆ่าตัวคนโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้จะว่าโลกมนุษย์หรือโลกเทะชาญว่ายากเพราะต่างอาศัยอยู่ด้วยกันตั้งแต่ดึกตบันมาแล้วและต่างฝ่ายก็ไม่มีหลักฐานแสดงพอจะเชื่อได้ว่าฝ่ายไหนถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโลกมาก่อนแม้จะมีหนังสือกล่าวไว้บ้างว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ได้ส่งให้มนุษย์มาอยู่ในโลกนี้ก่อนก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ ว่าเอาเองแต่ถ้าพูดอย่างพระง่ายดีเหมือนกันท่านว่าโลกนี้เป็นสัตว์โลกคือโลกของสัตว์แล้วก็อธิบายว่าผู้ใดข้องอยู่ในโลกผู้นั้นเรียกว่าสัตว์ทั้งสิน้นสัตว์แปลว่าผู้ข้องเสร็จกันทีแต่ชาวบ้านเราเรียกมนุษย์ว่าคนแล้วเรียกเดรัจฉานว่าสัตว์เรียงบาลีหน่อยหนึ่ง แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าคนหมายถึงมนุษย์สัตว์หมายถึงเฉพาะสัตว์เดรัจฉานเมื่อยอมรับกันอย่างนี้แล้วก็แล้วกันไปใครขืนอวดฉลาดรู้บาลีไปเรียกคนว่าสัตว์ประเดี๋ยวก็ถูกตัดออกจากคนเสียเท่านั้นคิดดูแล้วแล้วก็เคยพูดไว้บ้างแล้วว่าในโลกนี้สัตว์มากกว่าคนดูเพียงในบ้านเราก็แล้วกันตีเสว่ามีคนอยู่ 10คนแล้วลองนับดูสัตว์ในไร่ฉันสิมีเท่าไหร่ไก่กี่ตัวเป็ดกี่ตัวแมวกี่ตัวหม้ากี่ตัวแล้วยังมีหมัดมีอะไรเกาะกินอยู่ในตัวของสัตว์พวกนี้อีกเท่าไหร่ข้างบนบ้านยังมีจิ้งจกตุกแกมดเลือดยุงอีกเท่าไหร่ยิ่งถ้าคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นเหาเข้าด้วยเหาบนหัวคนคนเดียวก็มากกว่าคนทั้งบ้านเสียแล้ว สติระชาญเขามากจริงๆถ้าจะว่ากันอย่างไม่เกรงใจตามที่ท่านสอนไว้ในทางธรรมะยิ่งหนักเข้าไปอีกท่านสอนไว้ว่าในตัวคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งนี้มีตัวพยาธซึ่งท่านเรียกว่านอนอาศัยอยู่ถึง32ตระกูลตัวกลมมีตัวยาวมีตัวแบนมีตัวสั้นมีมันเกิดอยู่ในตัวเหล่านี้เที่ยวอยู่ในนี้ มันยึดเอาร่างกายของเราเป็นเรือนคลอดเป็นที่เที่ยวเป็นที่อยู่เป็นที่หากินเป็นโรงพยาบาลเป็นป่าช้าและเป็นที่สู้รบกันร่างกายนี้เราถือว่าเป็นตัวเราแท้ๆเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแต่ผู้เดียวแต่เจ้าพวก3าภาษานั้นเขาอาจถือเพียงเป็นโลกโลกหนึ่งเท่านั้นเขาอาจจะมีการแบ่งเขตประเทศ เขตจังหวัดเขตอำเภอและอาจมีการจัดสรรที่ดินเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือกันและในพวกนั้นเขาอาจมีการให้ทุนเพื่อไปเที่ยวรอบโลกเหมือนคนเราก็เป็นไปได้เขาจัดกันใครจะไปรู้หมอก็เคยบอกว่าตัวพยาธบางชนิดเช่นตัวจีด๊ดมันเที่ยวไปโผล่ที่โน่นที่นี่สเดือนโผล่ที่มืออีกสเดือนโผล่ที่เทา้า อีกหเดือนโผล่ที่ตาปีสองปีกว่าจะกลับมาถึงบ้านเดิมถ้าเป็นผู้เป็นคนที่เรียกว่าได้รับทุนมากทีเดียวว่าทางปริมาณคนกับสัตว์เอาแต่สัตว์ในตัวเรานี้ก็มากมายเหลือประมาณแล้วถ้าคิดรวมหมดทั้งโลกจะสักแค่ไหนในยติว่าโลกนี้ควรจะเป็นของคนหรือสัตว์นั้นถ้าให้ลงคะแนนอย่างเสียรีถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เราต้องแพ้เด็ดขาดที่พูดนี้ไม่ใช่เพอ้อเจอ้อแต่ต้องการนำทางเข้าไปหาจุดหมายเชิญตามเข้ามาถ้าเราอยู่ในห้องของเราคนเดียวถึงจะไม่แต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่มีใครว่าตามสะดวกแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันหลายคนและมีคนแปลกถิ่นมากหน้าหลายตาการพิถีพิถันในการแต่งตัวก็มีขึ้นเช่นเดียวกันโลกนี้เราอยู่ด้วยกันสองพวก คือพวกคนเรากับพวกนั้นเขาการพิจารณาตัวเองก็เป็นสิ่งจำเป็นคนเราได้พยายามโฆษณาตัวเองว่าฉันเก่งกว่าสัตว์ฉันฉลาดและชนะสัตว์แม้ตัวโตวเท่าช้างฉันนี่แหละคือผู้ครองโลกเสือร้ายในดงก็จับเอามาขังกรงให้เด็กดูเล่นได้ช้างสารในป่าก็จับมาลากสูงได้ เกิดมาเป็นคนแล้วพวกสัตว์ต้องแพ้ราบแน่แล้หรือถ้าสัตว์มันจะว่าว่าพวกมันเดรัจฉานต่างหากเป็นผู้ชนะบางพวกได้ไปหากินอยู่บนศรีรษะคนบางพวกได้ไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ถึงท้องคนคนสร้างบ้านสร้างตึกหรือสร้างคฤหาดด้วยเงินแสนเงินล้าน พวกเดรัชานก็แห่กันเข้าไปอยู่ตั้งแต่ก่อนคนทำบุญขึ้นบ้านใหม่เสียด้วยซ้ำแล้วเราจะค้านว่าอย่างไรว่าข้างทีได้ทีเสียกันดีกว่าคนเราเสียเปรียบสัตว์เดรัฉานอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องค่าตัวเกิดมาเป็นคนแล้วก็ไม่เสร็จต้องแต่งโน่นเติมนี่กันอีกมากผมต้องหวีหน้าก็ต้องล้างฟันก็ต้องแปรงเนื้อตัวก็ต้องอาบน้า แม้จิตใจเดิมจริงๆก็ต้องเป็นใจโง่เขลาใช้กาไม่ค่อยได้ต้องเรียนหนังสือและอบรมให้ฉลาดจึงใช้ได้ดีและมีราคาฝ่ายพวกนั้นเขาไม่เห็นยุ่งเหมือนคนหน้าก็ไม่ล้างฟันก็ไม่แปลงน้ำก็ไม่อาบเพียงแต่เกิดมาเป็นตัวกินกินนอนๆอนรักษาตัวไม่ให้ตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอแล้ว แล้วซื้อขายกันด้วยราคาแพงๆที่ยังเป็นก็เอาไว้ใช้แรงบ้างไว้ดูเล่นบ้างซื้อขายกันบ้างตั้งแต่ขนเข้าไปจนถึงกระทั่งกระดูกขอโทษเถอะแม้แต่มูลของมันคนก็เอามาทาปุ๋ยใส่ผักกินได้ผิดกับของคนมากเนื้อหนังมันไม่มีราคาถ้าอยู่ดีๆเกิดมีใครเอาเนื้อหมูมาฝากสักกิโลเราชอบ แถมอีกสักสองกิโลสกิโลยิ่งขอบคุณมากถือว่าเป็นลาบแต่ถ้าใครเกิดสับดลเอาเนื้อคนมาฝากบ้างล่ะเป็นลาบหรือเปล่าที่เป็นดังนี้เป็นเพราะว่าค่าของคนไม่ใช่อยู่ที่เนื้อที่หนังไม่เหมือนพวกนั้นเขาใครก็ตามที่เกิดมาแล้วมัวภูมิใจคิดว่าตัวเราเป็นตัวคนหน้าเราเป็นหน้าคนแล้วก็พอใจอยู่แค่นี้ ไม่คิดขวนขวายปรับปรุปรงตัวเองอีกคนนั้นนับว่าคิดผิดการที่ค่าของเราไม่อยู่ในเนื้อหนังของตัวเช่นนี้เป็นข้อเสียเปรียบสัตว์เดรฉ า, านเขาแต่ในทางได้เปรียบก็มีเมื่อสังขารร่างกายของสัตว์เดรฉ า, านมันอภัพแต่งไม่ขึ้นจะจัดให้เป็นช่างไม้ช่างเหล็กช่างปูนเป็นไปไม่ได้หรือจะให้เข้าโรงเรียน10ปีก็อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เพราะสังขารของมันไม่อำนวยแม้จะมีสัตว์บางชนิดเป็นสัตว์พิเศษมีคุณธรรมในใจหรือฝึกให้ทำงานได้เช่นลิงหัดเล่นละครหรือหมาหัดทำหน้าที่ตำรวจเหล่านี้เป็นต้นก็นับว่ากรณีพิเศษมีน้อยเต็มทีเพียงหนึ่งในหลายหลายสิบล้านไม่มีทางที่จะคิดออกเป็นเปอร์เซ็นต์นได้ และที่ว่าทำได้นั้นก็เพียงทำได้บ้างเท่านั้นไม่ใช่ทำได้เท่าคนหรือดีกว่าคนหมาตำรวจนั้นเวลาออกตามผู้ร้ายต้องมีตำรวจคนควบคุมไปด้วยและมีเชือกผูกจับไว้หมาวิ่งคนจับก็ต้องวิ่งตามถ้าปล่อยให้มันออกตรวจท้องที่เดียวๆคงไม่กลับลงพักแน่อย่างนี้จะดีกว่าคนอื่นอย่างไร หมาบางตัวทราบว่าได้ประธานยศก็มีเพราะมันเก่งแต่ถึงจะเก่งเท่าไหร่เท่าไร่ก็ยังเซ็นชื่อรับเงินเดือนไม่เป็นหยุดนั่นเองส่วนสังขารของคนเรานี้ถึงจะไม่มีค่ามาแต่กําเนิด ก, ก็ดีที่แต่งขึ้นมือ10บนิ้วของเรานี้ฝึกให้ทําอะไรก็ได้ร้อยแปขุดดินฟันไม้เขียนหนังสือเขียนรูปได้ทั้งนั้น ใช้กราบไหว้ก็ได้อวัยวะร่างกายของคนเรายิ่งแต่งยิ่งขึ้นและยิ่งแต่งยิ่งมีค่าค่าตัวของสัตว์กาหนดด้วยน้ำหนักด้วยขนาดด้วยปริมาณแต่ค่าตัวของคนกำหนดด้วยการแต่งใครแต่งมากมีค่ามากใครแต่งน้อยมีค่าน้อยใครไม่แต่งเลยก็ไม่มีค่าเลย